แม่ชาวสอนพวกเราเกี่ยวกับอจตนาหกตาหูจมุกลิ้นกายใจคู่ของมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสพุทพะธรรมารมพุทธพะคือสิ่งที่สัมผัสร่างกาย <c oughs> ธรรมารมสิ่งที่รู้ด้วยใจ ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นธรรมอารมณ์เรื่องราวที่เราคิดเป็นพวกนี้ธรรมอารมณ์สิ่งที่รู้ด้วยใจนี่พอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วให้เรามีสติะร่างกายเราเป็นไงคอยรู้จิตใจเราเป็นไงคอยรู้นี่ภพภาพกว้างการปฏิบัติ ่การรู้ทีเดียวหกช่องทํายากจริงเราไม่ได้รู้หกช่องหรอกหกช่องนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้กายให้ใจของเราทํางานจุดสําคัญคือรู้กายรู้ใจนั่นแหละมีกายของเราเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเพราใจเราเปลี่ยน ใ, นใจเราเปลี่ยนเพราะการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> อย่างเราจะยิ้มเนี่ยนะใจเราพอใจขึ้มาไปยิ้มอะไรเงี้ยร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าใจมันเปลี่ยนเราเห็น <c oughs> เห็นผู้หญิงสวยๆใจเราชอบนะก็ร่างกายก็เดินเข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยร่างกายมันเป็นลูกน้องของใจ งันถ้ารู้ก็รู้หัวโจกมันรู้ใจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วใจเราเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆนะกายเป็นของแถมมันจะรู้ได้เองเลยแต่บางคนดูใจไม่ออกดูใจไม่ออกดูกายไปก่อนถึงวันหนึ่งสติปัญญาสมาธิยังไงพอมาเยอะมาเห็นใจดูใจตัวเองได้ งั้นบางคนดูใจตรงตมไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนดีกว่าลืมไปเลยดีกว่าไม่มีอะไรสักอย่างร่างกายเป็นบ้านใจเป็นเจ้าของบ้านเราอยากเจอเจ้าของบ้านหาตัวเขาไม่เจอก็หนีไปเที่ยวทางตาหูสมูกลิ้นกายใจเลยเนี่ยเราค่อยมาเฝ้าที่บ้านครับไม่รู้สึกในร่างกายเรืยเดี๋ยววันหนึ่งก็เจอจิตเอง จิตนเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมะหรือสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงรู้ทันจิตได้อันเดียวคือรู้ทันธรรมะทั้งหลายทั้งปวงได้รู้ได้ทั้งรูปทั้งนามทั้งรูปทั้งนามไปจากจิตนี้เองลองยกมือสิมใครสั่งให้ยกมือหลวงพ่อประโมทสั่ง <laughs> ถ้าตอย่างนี้นะไม่ใช่นะักปฏิบัติ สังนะ เ, เกตไหมว่าจิตเราเป็นคนสั่งจิตเราตกลงใจว่าให้ยกมื อ, อยังหลวงพ่อบอกให้ยกมือซิเนี่ยบางคนไม่ยกนะีบางคนมันไม่ยกจิตมันไม่ยอมสั่งให้มือยกเพราะกำลังเพลินอยู่นะอะไรคิดอะไรเพลินๆไม่ดูเรื่องนั้นร่างกายเคลื่อนไหวเพราะใจมันสั่งนะเขาเรียกว่าอะไรนะจิตเป็นนายกายเป็นเบาว ไหนจะสู้กับมันทั้งทีนะก็เรียนรู้นายมันปราบนายมันได้ลูกน้องมันไม่มีนัยยะอะไรหรอกงั้นคอยรู้ทันใจของเราไปเรืร่อยๆใจเราเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายก็ทอบสัมผสัสใจคิดนึกน <ะ S 2> ไม่ต้องไป ว, วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผสัสอะไรหรอกคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจก็พอแล้ว งั้นตามองเห็นเนี่ยไม่ต้องไปนั่งวิจารณ์รูปนี้สวยไม่สวยเลยเนี่ยไม่จําเป็นนะใจเราชอบรู้ใจเราไม่ชอบกรู้เล่นง่นงายๆรู้สึกไปง่ายๆกรรมฐานอันนี้เหมาะกับคนในเมืองนะคนในเมืองเหมกับการดูจิต ด, ดูใจตัวเองเพราะเราไม่ใช่คนบ้านนอกสมัยโบราณคนสมัยก่อนมีเวลาว่างเยอะ <c oughs> หมดหน้านานะ ในศีลาจเลือกบอกปรหมดหน้านาผู้หญิงทอผ้าผู้ชายตีเหล็กนยความจริงของคนไทยหมดหน้านาผู้หญิงก็ทอผ้าผู้ชายตีไก่ไม่ตีเหล็กก็ตีไก่หาเรื่องเล่นไปเรื่อยเวลาว่างเยอะ น, ะนั้นกรรมฐานเขาทำกรรมฐานให้จิตใจสงบเนี่ยมีเวลาทำมากอย่างทอผ้าไปเนี่ยนะ รู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายไปใจสงบเห็นพุ่งกะสวยได้ไปทีละเส้นทีละเส้นนะค่อยๆทำไปใจไม่สงบใจร้อนที่มาอะไรทอผ้าผิดะนะค่อย ๆ, ๆฝึกของเขาไปใจไม่สมาธิอยู่กับการทอผ้านะอย่างเงี้ยะตีเหล็กเงี่ยก็ต้องมีสมาธิในการตีเหล็กเอาเหล็กเผาไฟนะค่อยๆตีขึ้นรูปเป็นมีดเป็นดาบเป็นเคียวอะไรก็ทา มีเวลาเยอะบางทีก็ไม่มีงานทำนานๆพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไม่มีงานทำแล้วล่ะเอาข้าวขึ้นยุงแล้วก็จบถึงเวลาเช้าขึ้นมาพาไ ก, กวไปกินหญ้าหญ้าไม่มีท้องนาแห้งไม่มีหญ้าแล้วก็เอาฟางที่เก็บไว้ให้ไกวกินงานมีไม่มากถึงเวลาพาไ ก, กวไปอาบน้า ันวันๆไม่ค่อยมีอะไรทำงั้นเขามีเวลาเยอะคนโบราณนะของเราทำงานเช้ายันค่ำรอวันหยุดไม่ค่อยจะหยุดเท่าไหร่หรอกวันหยุดเราก็หางานทำต่อไปีหาเรื่องวุ่นวายอยู่เฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของคนในเมืองกับชีวิตของคนชนบทรุ่นก่อนไม่เหมือนกัน คนชนบทเ่องก่อนนะชีวิตยากแค้นลาเค็นกับความเป็นอยูนะ่ของเรายุคนี้มีอยู่มีกินมีของให้เลือกกินจนกระทั่งกลุ้มใจไม่รู้จะกินอะไรใครเคยมีปัญหาบ้างว่าไม่รู้วันนี้จะกินอะไรดนะีไม่รู้จะกินอะไรดีมันมีเยอะมีให้เลือกเยอะเข้าไปสนย์การค้าเนี่ยมีร้านอาหารเยอะแยะเลยไม่รู้จะกินอะไรดีลุมใจในณะนที่คนบ้านนอกคนโบราณ มีน้าพริกผักกินมันได้ทุกวันนะไม่มีเข้าจริงๆนะพริกกับเกลือตําเขาด้วยกันจิ้มกับข้าวกินอยู่ได้น่ะชีวิตไม่ซับซ้อนงั้นเวลาที่เขาจะอยู่กับตัวเองมีมากของเราเนี่ยชีวิตวุ่นวายออกข้างนอกตลอดเวลามีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองน้อยงั้นจะให้เรานั่งทําชาติทำอะไรเนี่ยทําไม่ค่อยได้ ไม่เหมืรุ่นครูบาอาจารย์ชีวิตท่านเป็นชาวไร่ชาวนาชันเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานนะเหน็ดเหนื่อยกับการทํามาหากินลําบากยากจนอดอยากเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่มีการรักษาเท่าไหร่อย่าเงี้ยชีวิตลําบากมากสิ่งที่ท่านปรารถนาในชีวิตคือความสงบสุขอยากได้ความสงบสุขการนั่งสมาธิอะไรเนี่ยมันตอบสนองความต้องการของคนรุ่นก่อนได้ เขามีเวลามากเขาก็ฝึกไปจิตใจมีความสุขมีความสงบไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติอะไรหรอกแต่ว่าสบายใจก็ต้องฝึกกันอย่างนั้นคนเดี๋ยวนี้วุ่นวายตลอดจะมานั่งสมาธิจิตไม่สงบหรอกงั้กรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะคือการดูจิตตัวเองจิตเราก็ชอบไปก็ชอบมานี่เรียนรู้ไปนะ จะไปนั่งสมาธิเข้าฌานออกจากฌานมาดูกายอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้กินหรอกนะการดูกายจะทำได้ดีต้องเข้าฌานก่อนนะส่วนการดูจิตเนี่ยใช้จิตธรรมดาอย่างนี้แหละดูไปเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันง่ายกว่ากันหนะลวงพู ด, ดูเคยบอกหลวงพ่อนะว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านพูดเนี่ยหลวงพ่อฟัง ด้วยความเคารพแต่ไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อมันอยู่ที่ใจเราใจไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อนะไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์พูดเราต้องเชื่อตลอดไอ้นั่นโง่แล้วนะใจเราไม่เชื่อรู้ว่าไม่เชื่อแต่ไม่ทะลึ่งไปเถียงท่านท่านต้องมีเหตุผลอะไรที่ลึกซึ้งเราอาจจะไม่เข้าใจตอนนั้นไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่ากรรมฐานที่ไหนสำนักไหนเนี่ยกายทั้งนั้นเลยไม่มีจิตหรอก ท่านจะมาบอกว่าดูจิตจะรุ่งเรืองได้ยังไงนะสายท่านพุทธทาสก็ทําอานาปนสติมันก็กาย ห, หลวงพ่อเทียนขยับมือเนี่ยมันคืออิริยาบถแบบพระก็อยู่ในกายานงปัสสนานะดูท้องฟองยุบยกเท้ายั้งเท้าเดินจงกรมสายฟองยุบนะมันก็กายอีกนะดูไปดูไปมีแต่กายทั้งนั้นเลยนะสายวัดป่าก็พุโทโธพิจารณากาย เนีแล้วหลวงปู่จะบอกว่าการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองนะมีในเมืองด้วยไม่เชื่อหรอกแต่ไม่เถียงท่านเราจะรอดูว่าที่ท่านบอกน่ะจริงไม่จริงวันเวลาผ่านไปนีการดูจิตรุ่งเรืองขึ้นจริงๆนริงจนแต่เดิมหลวงพ่อสอนยุคแรกๆนะคนต่อต้านเยอะนะคนต่อต้านบอกหลวงพ่อสอนผิดทําไมไม่เริ่มจากกายเนี่ยโดนอย่างนี้เยอะมากเลย หลวงพ่อก็ไม่อยากเถียงกับเขาเว่าหลวงพ่อปฏิบัติมาหลวงพ่อไม่ได้เริ่มจากกายเรียนกับหลวงปู่ดุลเนี่ยเรียนเข้าจิตเลยหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตเลยหลวงพ่อหลวงปู่ดุลไม่ได้สอนหลวงพ่อให้ดูกายแล้วถัดจากหลวงปู่ดูลมาเข้าหาครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนหลวงพ่อดูจิตทั้งนั้นเลยไม่มีองค์ไหนสอนดูกายเสวงกระทั่งหลวงตามหาบัวก็สอนดูจิตที่ว่ามาตรฐานวัดป่าเลย เันจริงๆแล้วครูบาอาจารย์เลือกสอนตามจริตนิสัยนิสัยหลวงพ่อท่านต้องให้ดูจิตนะหมาะกับหลวงพ่อให้ดูกายนี่จุดชืดมากเลยะ <c oughs> เคยดูกายเหมือนกันได้ยินคนอื่นเขาพิจารณกายเคยดูเหมือนกัน <c oughs> ดูแล้วไม่ม่วนเลยไม่สะใจนะ <c oughs> ดูผมพอดูผมปุ๊บสมาธิมันแรงนะ <c oughs> ผมหลุดหายไปหมดเลยสลายตัวไปหมด เห็นหนังศีสันนะดูหนังศีสันปุ๊บสลายตัวเลยเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระโหลกแนละ้วหัวขาดไปเลยไม่มีหัวแล้วมีแต่ตัวคราวนี้ดูทั้งตัวนะเนื้อหนังหลุดหายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกต่อไประเบิดเพลี้ยงหนะ่อยกลายเป็นเม็ดเล็กๆ เ, เป็นก้อนกรวดเล็กๆสีขาวใสกระจายเต็มพื้นเลยนะแบบพระาธาตุแบบนั้ น, น, นกระจายออกใสๆนะดูต่อไปอีกนะยังมีกายเหลืออยู่คือเม็ดๆนี้ มันสลายตัวเป็นแสงงั้นเลยรู้เลยร่างกายเนี่ยถ้าเราสลายลงไปถึงขีดสุดนะจะกลายเป็นแสงวัตถุทั้งหลายเนี่ยพอสลายลงไปแล้วกลายเป็นแสงได้ไม่รู้สึกสนุกสนานอะไรรู้สึกตื่นมีแค่นี้เหรอดูร่างกายสลายไปหมดแล้วในเวลาแป๊บเดียวนะนาทีเดียวเท่านั้นเองที่ดูตั้งแต่ดูผมจนสลายจนถึงกายระเบิดนะ กระดูกระเบิดกายกระดูกสลายกลายเป็นแสงไปหายกระจายไปทั่วโลกอะไรเงี้ยใช้นาทีเดียวนาทีนิดๆหน่อยตอนนั้นเองไม่รู้สึกสนุกอะไรเลยรู้สึกขับแคบหลวงปูดด่ดวลสอนให้ดูจิตนะรู้สึกเหมือนปลาออกทะเลเลยนะเหมือนปลาตัวใหญ่หญๆถูกขังเอาไว้นะพอเขาปล่อยได้หนีลงแม่น้ําหนีลงทะเลได้ว่ายอย่างกว้างกว้างดูจิตใจนี่เต็มไปด้วย อะไรที่เราไม่เคยรู้มากมายจิตทำงานได้ทั้งสิบสี่แบบนะจิตทำงานได้ทั้งสิบสี่แบบทำงานได้หกช่องทางนะเจิตเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีจิตเป็นวิบากไม่ไม่ไม่ดีไม่ชั่วก็มีจิตสุขก็มีจิตทุกข์ก็มีจิตเฉยๆยก็มีจิตมันวิจิตพิสดานมากมายเลยจิตรู้ก็มีจิตคิดก็มีจิตเพ่งก็มี มีอะไรให้เรียนมากมายมหาศาลพอมาเจอตรงนี้นะสนุกสนุกนะลืมแล้วเรื่องความอยากได้มากผลนผลิพพานแต่ละวันเนี่ยได้เรียนรู้จิตได้เห็นจิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้นอย่างนี้นะสนุกกับการเรียนรู้อย่างนี้มีชันท้ามีความเพลิดเพลินพอใจที่จะดูจิตตัวเองพอมีฉันท้าเกิดขึ้นวิริยะก็เกิดขึ้นเองขยันดูมีเวลาเมื่อไหร่ดูตลอดเลยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มากำกำชับให้ดู แล้วจิตใจนี่จดจ่อจะค่อยเรียนรู้จิตตัวเองเรียกว่าจิตตะกคือมีสมาธิในการที่เรียนรู้จิตตัวเองนั่นเองจิตนี่มันก็ค้นคว้าคล้ครวญดูจิตทํางานอย่างน้อนอย่างนี้นะจะจิตอยู่ในผวาจิตขึ้นมาจิตแสดงบทบาทอย่างน้นอย่างนี้เนี่ยจิตมันศึกษาคล้ครวนไปด้วยค้นคว้าละเอียดลอจิตแต่ละชนิดมันเป็นยังไงมันทํางานยังไงอันนี้เรียกว่าวิมังสา เพรันเวลาที่หลวงพ่อลงมือปฏิบัติเนี่ยมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอิมังสาคือความใคร่ครวญจิตคือความตั้งมั่นจดจ่อเรียนรู้ไม่วอกแวบไปฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเป็นธรรมะหมวดที่เรียกว่าอะไรอิทธิบาทอิทธิบาทอิธทอธิคือฤทธิ้นั่นเองอิทธิบาทคือเป็นบาดฐานของความสําเร็จ ถ้าเรามีอิทธิบาทสีในการทําอะไรนะเราจะทําสิ่งนั้นสําเร็จโดยง่ายงั้นหลวงพ่อภาวนาเนี่ยหลวงพ่อใช้เวลาไม่มากเพราะหลวงพ่อมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาในการเรียนรู้จิตตนเองครูบาอาจารย์สั่งให้ทําเลยไม่ไม่ต้องมาสั่งซ้ำสองเลยแต่ดูทีแรกดูผิดอยู่สามเดือนท่านบอกให้ดูจิตเราก็เลยไปจ้องอยู่ที่จิตไม่ให้คลาดสายตา จิตนั่นเด่นดวงขึ้นมานะทีแรกจิตไปรวมกับอารมณ์ดูไปจนมันแยกออกมาพอมันแยกออกมาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ตัวเก่าตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยนั่งสมาธิแล้วจิตเด่นดวงขึ้นมาอย่างนี้เองอ น, นี่มันตัวเก่านะเพราะงั้นเราคอยจ้องไอ้ตัวนี้รักษาตัวนี้ไว้รักษาจิตผู้รู้ไว้รักษาจิตผู้รู้ได้ชํานาญไม่ยากเลยที่จะมีเพราะว่าได้มาแต่เด็กแล้วแต่ไม่รู้จัก เรไปหาหลวงปู่ดุลเไปส่งกันบ้านท่านผมดูจิตเป็นล้วเติ้นถามจิตเป็นไงโอจิตมันวิจิตพิสดารครับมันเป็นอย่างน้นมันเป็นอย่างนี้นทํางานได้สารพัดเลยผมรู้ทันจนเดี๋ยวนี้จิตเด่นดวงขึ้นมาแล้วท่านบอกทําผิดแล้ว น, นแทรกแสงแทรกแสงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปทำซะจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วเหลือแต่รู้ตัวอยู่เฉย ไปทำใหม่ทาผิดโอ้โหครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่นะสอนแบบโหดโคตรโคตรเลยอ่ะสัมมวลสมัยใหม่หน่อยนะโหดโคตรโคตรเลยบอกทําผิดไปทำใหม่นะให้ไปดูไม่ได้ทําสอนเท่าเนี้เราก็ต้อ ง, งทำผิด่ะท่านให้ดูนะนึกถึงคําพูดท่านครั้งแรกที่ไปพบท่านท่านบอกว่า การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยท่านสอนแค่ น, นี้แหละท่านให้อ่านจิตตนเองงั้นต่อไปนี้เราจะเป็นนักอ่านจิตเป็นยังไงเราจะรู้อย่างนั้นเราไม่ใช่ให้ท่านไม่ได้ให้เราเป็นนักประพันธ์แต่ให้เป็นนักอ่านนะเงะะั้นจิตเราเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นองั้นดูไปเรื่อยๆดูอยู่สี่เดือนนะ เราก็เจอไอ้พายุนั่นแหละในสุขก็รู้จักจิตจริงๆขึ้นมาใช้เวลาทั้งหมดนนเจ็ดเดือนที่เรียนกับหลวงปู่ทำไมเจ็ดเดือนนี้ก็ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วทำไมเร็วเพราะมีอิทธิบาทมีชันทะพวกเราเวลาดูกายดูใจมีความสุขไหมเออคนไหนมีความสุขบ้าง ในการได้คอยรู้ใครยรู้ใจตัวเองยกมือน่อยยกก้าหาญยกสูงๆูงนี่เรียกว่ามีฉันทะนะพอใจที่จะรู้ไม่ต้องมีใครสั่งจะขยันรู้นะวิริยามเฉดเกิดเองแล้วมจะคอยจดจ่อนะแต่ตรงจดจ่อนี้ไม่ค่อยมีดูได้ประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวก็เลิกแล้วนะงั้นขยันดูหน่อยดูบ่อยๆ ต่อไปนะใจมันจะค้นคว่าใกล้ครควนในส่วนมันก็เข้าใจขึ้นมาเพราะมันเคล้าเคลียมันใกล้ครควนอยู่นะเดี๋ยวมันก็เกิดความเข้าใจนานๆมาชำเลืองทีมไม่เข้าใจอย่างเราอยากเข้าใจใครสักคนหนึ่งเราต้องดูเขานานๆดูบ่อยๆดูนานๆสักพักหนึ่งเราก็รู้จักว่าคนคนเนี้ยกําพืชเป็นยังไงนิสยัยแท้จริงเป็นยังไงอย่างคนมาบวชที่นี่หลวงพ่อไม่รับหลอกบวดถาวร มีถวบชั่วคราวพอบวชชัวคราวเราค่อยๆดูไปแต่ละองค์แต่ละองค์นะสันดานที่แท้จริงเป็นยังไงนะดูจิตตรงๆลําบากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเวลาจิตเขาดีมันมีเวลามาขอบวชเวลาไหนเะนี่ยจิตมีปีติมีศรัทธามีอะไรมีกุศลเยอะนะแต่พอมาอยู่แล้วเนี่ยตัวจริงมันโผล่ยิ่งอยู่นานตัวจริงยิ่งโผล่นะ งั้นบางทีอยู่นานๆเ น, น, นี่ยนะจะรู้สึกน่ารังเกียจนะงั้นหลวงพ่อจะเลือกองไหนตัวแย่ๆนะก็ศึกไปเถอนะะถึงเวลาแล้วศึกไปองไหนทําท่าจะดเีเวลาจะมาขอศึกก็จะถามว่าจะศึกจริงเหรอนะี่ไม่เหมือนกันนะนะถ้าพวกแห่งสวยนะ <c oughs> จะมาขอศึกนะก็พอสมควรแล้วเห็นโยมก็ไปทําต่อนะ ถ้าใครเจอประโยคเนี้ให้สำนึกไว้เลยแล้วบางคนมาบอกนะว่าข้าวหลังผมจะขอมาบวชอีกอืบางคนมาบอกว่าข้าวหลังผมจะขอบวชอีกเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติได้นะไม่เหมือนกันนะเลือกนะเลือกนะอย่างแอสตันเนี่ยมันดังเกินไป เปลี่ยนพราแล้วดังเกินไปนเนะี้ยมีปัญหานะคล้ยคล้แฟนคลับเยอะหรือโกนอันเนพะราะงั้นคนจะมายุ่งด้วยเยอะอะไนะรเงี้ยก็ไม่ควรจะอยู่วัดอย่างนี้ควรจะอยู่วัดลึกๆในป่าข้างในเขานะนะเราประเภทแฟนคลับตามไม่ทันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ดีเกินไปดังเกินไปไม่เอาเหมือนกันนะสมัยพุทธกาลเนี่ยมหาโจรชื่อดังเนี่ยไม่รับมาบวชนะ เอยุคนี้คนดังก็ไม่อยากได้เหมือนกันถ้าคนดังมาอยู่วัดเนี้ยนะโห้ยแฟนคลับมันมาเยอะวัดยุ่งนะเพรางั้นไปหาท่าที่จะบวชที่เหมาะนะที่ลึกๆที่คนไปยากสําหรับแอสตันนะนะวัดอย่างนี้ไม่เหมาะหรอกขับรถมาชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วนะมาวุ่นหวายเรือ่อยแอสตัน อยากจะเไปอือซะหน่อยนะพว่ามาขอชวนคุยเนะี่ยแฟนกลับมาคุยไม่คุยด้วยก็ไม่ได้อนะไรอยเงี้ยไปบินธบาร์ดแฟนขับก็มาถ่ายรูปเอาไปลงเฟซบุ๊กนะอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายงั้นหลวงพ่อเลือกนะควรอยู่ได้เนะี่ยคนกลางๆไม่ไม่ดังมากนะก็ไม่ชั่วอนะไรย่างเงี้ยะถ้าดังมากก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ นะวันไม่ค่อยสงบคนอื่นจะวุ่นวายไปด้วยสุดสําคัญเรียนรู้จิตตัวเองนะเรียนรู้จิตตัวเองหลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าได้ใจจิตกระใจอันเดียวกันได้ใจคือได้ธรรมทั้งหมดนะเสียใจไปคือใจหายไปแล้วเสียธรรมทั้งหมดนะครูบาอาจารย์สอนลงที่ใจทุกองที่จิตทุกองอย่างหลวงตามหาบัวบอกทำแท้เกิดที่จิต คือทำแท้เกิดขึ้นกลางอกอะไรเงี้ยะสอนอย่า ง, งเงี้ยอยู่ที่จิตที่ใจทางนั้นนะะเพราะอะไรกุศลก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตลงที่จิตทางนั้นแหละเพะฉะนั้นเราหัดดูจิตดูใจไปรับรองว่าไม่ช้าหรอกะแต่ต้องมีอิทธิบาทสี่ถ้าไม่มีอิทธิบาทสี่นะไม่มีฉันท่าในการดูนานๆจาเลืองทีนึ่งนะแล้วก็พออะไร มักน้อยสันโดษหรือเกินในความดีสันโดษเขาไม่เอาไปใช้กับความดีนะไม่ใช่ว่าสันโดษในคุณธรรมพอใจแล้วล่ะมีคุณธรรมแค่นี้พอใจแล้วล่ะอย่างนี้พระพทุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะให้ใ ห, ให้ให้ขวนขวายให้ทําให้มากให้ทําให้เจริญเรื่องความดีไม่ใช่ว่าพอใจในความดีที่มีอยู่คนละเรื่องกันนะอสันโดษเนี่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องปัจจัยสี่ มีอาหารอย่างนี้ก็พอใจตามมีตามได้มีเสื้อผ้าอย่างนี้ก็ตาพอใจตามมีตามได้นะมีบ้านอย่างนี้พออยู่พออาศัยแล้วนะไม่ต้องอยู่คฤหาสน์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะมีความสุขตามมีตามได้ส่วนมากสันโดษจะเป็นเรื่องปัจจัยสี่นะที่ท่านสอนกันหรือเรื่องมีเมียคนเดียวมีสามีคนเดียวเนนี้สันโดษ เรไม่ไม่หมกมุ่นในกามเงั้นเราฝึกตัวเองขยันดูให้มากรู้ให้มากเจริญให้มากมีสติตาหูจมูกจีนกายใจอยากกระทบอะไรก็เรื่องของมันแต่กระทบแล้วจิตเราเป็นยังไงรู้ทันนะถ้ารู้ทันจิตเราไปก็รู้กายด้วยเพราะจิตเป็นคนสั่งให้กายทํางานจะรู้หมดทั้งกายทั้งจิตแหลนะฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรหรอก ต่อไปให้ส่งกันบ้านใครจำเป็นจะต้องส่งกนบ้านว่ามาเลยมีไหมเบอร์สิเบอร์สสหนึ่งเบอร์สิบห้าเบอร์สิบสี่่ให้พวกยกก่อนเบอร์สองเบอร์ห้านะเบอร์ยสสเบอร์หนะึ่งเบอร์หกอาเท่านี้ก่อน พวกอยูวัดส่งก่อนถ้าต้องการสงถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องเอาบอกให้เลยก็ได้ไม่ต้องถามเสียเวลาติดเพ่งอยู่เ น, นี่ยไปรวบจิตเข้ามาอย่างเนี้ยมันคือการเพ่งเวลาเราโลคิดถึงการปฏิบัตินะเราจะทำอย่างนี้เราจะดึงเข้ามาอย่างนี้อย่างที่แรกเราอยู่เงี้ยพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราจะดึงจิต รวบจิตเข้ามายงน้แก็ตั้งไว้นิ่งๆอยู่อยงนี้อยู่ไปเรื่อ ย, อยๆนะแต่ไม่เจลิญ น, นะเะฉั้นอย่าไปดึงจิตเข้ามาจิตมันจะนิ่งจิตมันจะไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้เราดูเลยแล้วถ้าติดเนี่ยนะตามองเห็นจิตก็นิ่งหูได้ยินเสียงจิตก็นิ่งจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระท่สาสัมผาสใจคิดนึกจิตนิ่งหมดเลยจิตไม่แสดงไตรลัก เพราะฉั้นการที่เรารวบจิตเพ่งเข้ามาอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์จะสงบอย่างเดียวแต่จะไม่เกิดปัญญาเราะั้นปล่อยอย่าไปรวบจิตเข้ามาปล่อยให้จิตทํางานแล้วมีสติ ต, ตามรู้ไปนะฝึกแก้ตัวนี้นะแอสตันอยู่วัดป่ะไม่ได้อยู่อยู่วัดมีคนเดียววันนี้แปลกเบอสิบว่าไปค่ะ กลับนมาศการหลวงพ่อค่ะหนูฟังซีรีหลวงพ่อมาประมาณ3ามปีแล้วค่ะแล้วหนูก็ไม่ค่อยอไม่ได้ค่อยทําในรูปแบบเท่าไหร่นักหนูเพิ่งมาทําำระยะเวลาในช่วงสามเดือนนี้นะคะแต่ต่อเนื่องทีนี้เนี่ยหนูก็จะมีคําถามจะถามหลวงพ่อก่อนเลยว่าที่หนูปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้หนูปฏิบัติถูกหรือ ย, ยังถูกสิถ้าไม่ปฏิบัติไม่ถูกหรอกปฏิบัติไปเถอะแล้วเราจะรู้ถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่ไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยผิดค่ดน ะ, นะ แล้วเราก็ปฏิบัติไปอีกนะแล้วเราก็นึกว่าถูกนะแล้วทไปแล้วเราเพราะว่าผิดอีกถึงจุดหนึ่งปัญญาแก่กล้าจะรู้เลยว่าไม่ว่าจะปรุงอะไรก็ผิดทั้งนั้นนะแต่อยู่ๆจะไปห้ามการปรุงแต่งก็คือปรุงกว่ามไม่ปรุงค่นะแล้วตัวนี้จะหลอกลวงเราจะดูว่าจิตดีจิตสว่างจิตโล่งใช้ไม่ได้เนะฉนั้นจิตเราเป็นไงรู้ไปไม่ต้องกลัวเรื่องทําผิดหรอกนะยังไงก็ผิด แล้วที่หนูกำลังคิดอยู่ทุกวันนี้เวลาหนูนั่งสมาธิในรูปแบบอะค่ะคือหนูจะทำใจให้สบายแล้วก็คอยให้ใจ<น>ตั้ ง, งมั่นรู้ตัวหนูแกล้งทำใจให้สบายอ๋อนะรู้สึกไหมมันแกล้งทำไม่เท่ากันแล้วเนี่ย เรียกมันแกล้งทำนะมันแกล้งอยู่นิดหนึ่งคือมันอยากให้จิตมีความสุขนะเพราะรู้ว่าถ้าจิตมีความสุขเดี๋ยวจะเกิดสมาธิเลยทําแต่งให้มันดูดีแต่งให้มันดูสงบนะใจกล้าๆหน่อยจิตเป็นยังไงรู้เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็พุโทโธไปหายใจไปรู้ทานจิตไป จิตสงบรู้จิตฟุ้งซ่านรู้เดี๋ยวมสงบเองถ้าอยู่อยู่จะไปแต่งให้ดีให้สุขให้สงบน้ําจะแต่งขึ้นมานะแต่ไม่ต้องกลัวเราแต่งไปก่อนแล้วตอนหลังรู้ว่าแต่งนะมันจะรู้เองแหละก็คือคุณหลวงพ่อให้การบ้านหนูก็คือให้ดูตรงนี้ไปเรื่อยๆใช้หนูรู้ทันความปรุงแต่งไปเรื่อยๆเราแต่งเวลาเราคิดกระถึงการปฏิบัติเราจะปรุงแต่งจิตะนะแต่งให้มีความสุขส่วนลายเนี้ยแต่งให้นิ่งนะ แม้เราจะแต่งกันคนละแบบนึกว่าแบบเนี้ยดีแต่งไปนะมาส่งกันบ้านครูปาอจารย์มอกเฮ้ยอันนี้ของปลอมนะคนนี้แต่งให้มีความสุขทั้งวันมีแต่ความสุขนะจิตไปอยู่ข้างนอกสบายนะมาต้องครูอาจารย์เหมือนไม่ถูกนะเราก็ไปเอาใหม่อย่างแต่งอย่างนี้ไม่ถูกเราก็แต่งอย่างนี้หลวงพ่อก็เคยแต่ง นะแต่วิจิตพิสดารมากเลยนะครูได้ยินหลวงปู่ตูนบอกอย่าส่งจี่ออกนอกงั้นเราส่งเข้าข้างในส่งเข้าไปสลึกเลยไปคดควา้ากิเลสอยู่ตรงไหนกิเลสพุดจากตรงไหนนะดูดู ด, ดูไปเรื่อยๆลือก ล, อกลไปนะเที่ยวกวานหา ก, กิเลสว่า ก, กิเลสเกิดที่ไหนวันนึงไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมเห็นหน้าหลวงพ่อนะกวักมือเลยผู้รู้ผู้รู้มานี่ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่ นะกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนั้นหรอกท่านรู้ว่าเราไล่ลงไปดูกิเลสข้างในเอามาอยู่ข้างนอกนี้กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนั้นนะเราฟังเราก็ววงงเอ้หลวงปู่ดูลว่ า, อ ย, าอย่าออกนอกนะหลวงปู่สิมว่าอย่าเข้าไปข้างในงั้นเราอยู่ตรงกลางหรอวะนะเพราะหลวงพุทธเทศสอนบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอย่าพ้นจากทุกข์ทั้งป่วงนี่มีหลักฐานอ้างอิงด้วยทาไงจะ ก, กลางเนี่ยนะ เป็นกลางนะไม่เพ่งทั้งผู้รู้ไม่เพ่งสิ่งที่ถูกรู้นะเวลาปฏิบัตินะอย่างเรารู้ลมหายใจเนะี่ยจิตจะเคลื่อนไปที่ลมแห้มเคลื่อนไปพอมันจะแตะเข้าไปที่ลมไปจับที่ลมนะไม่จับทวนกลับพ่อหาตัวผู้รูนะ้พอมันจะมาแตะตัวผู้รู้ไม่จับอีกทวนออกไปหาลมหายใจอีกเคลื่อนเข้าออกอย่างนี้นะแล้วมันรวมลงตรงกลางนะสลายตัววับเลย โลกธาตุนี้ดับไปหมดเลยนะถ้าจิตถอนออกมานะรู้เลยตรงนี้ไม่มีกิเลสไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีอะไรสักอย่างนะไม่เหลืออะไรสักอย่างเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อันเดียวนะตรงนี้ไม่มีเวลาเป็นอากาลิโกนี่หลาว่านิพานเนี่ยเจอแล้วนิพานอยู่ตรงกลางนี้เองนะก็เล่นอยู่ตรงเนี้ยเข้าออกเข้าออกอยู่ตรงนี้เรื่อยๆวันหนึ่งไป หาอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมเชียงใหม่นะปรากฏว่าไปถึงเนี่ยมืดแล้วดึกค่าแล้วสักสองทุ่มประมาณนั้นนะไปถึงมีพระมาดักอยู่หน้าวัดนะพระหนุ่มๆบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์มาอยู่ที่วัดสันติธรรมตอนเนี้ยให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่รู้จักอาจารย์บุญจันทร์หลวงพ่าจะมาหาอาจารย์ทองอินนะแล้วมันมืดแล้วด้วย คืนไปหาท่านทาั้งๆที่ไม่รู้จักนะดูไม่มีกาะละเทศาเลยไม่ไปท่านชซาฟิ้งอะไงก็ไม่ไปนะบุกไปกุฏิอาจารย์ทองอินนะถามท่านว่าอาจารย์ทองอินอยู่ไหมมันก็อยู่มันก็บุกไปคุยกับอาจารย์ทองอินสักชั่วโมงหนึ่งนะกลับออกมาท่านยังเฝ้าอยู่ข้างหน้าอยู่หน้ากุฏิตอนนั้นหนาวมากเลยนะท่านก็ทนยืนอยู่นะั้นท่านบอกไปหาอาจารย์ปุณจันทร์นนหน่อยเถอะนะ เราก็โอ้พ่อคนนี้ตื้อหน้าดูเลยเว้ยไปก็ไ ป, ไปใจเนี่ยไม่ได้อยากไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมันกลางคืนแล้วพาขึ้นไปเนะี่ยจันบุญจันทร์ไม่อยู่ในห้องนะอยู่ที่ระเบียงกุฏิท่านเป็นไม้เล็กๆเกท่า น, นั้นเองแทนที่ท่านจะอยู่ในห้องนะท่านอยู่ที่ระเบียงมีตังค์อยู่ตัวงนะท่านก็ไม่สบายท่านลงมาวัดสันติธรรมเนี่ยเพราะจะมาหาหมอไม่สบาย ผมผ้าคุมโป่งอยู่นะสันสันสันๆลวงผ้าขึ้นไปนะท่านก็ลุกขึ้นมานั่งเอาผ้าออกชี้หน้าเราเลยปฏิบัติยังไงก็เล่าให้ท่านฟังเนี่ยผมไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยจิตรวมลงตรงกลางเลยท่านตะ ว, าาว่าเอาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเราฟังว่าไม่เข้าใจ ท่านตะวาดอาทีหนึ่งนะนิพพานอะไรมีข้าวเหมียวมีเฮ้ยด้วยนะแล้วก็ถ้าท่านฟังเราไม่ออกเสียงไม่เหมือนกันสำเนียงอะ่ะเล่าซ้าท่านตะวาดครั้งที่สองนะถึงเข้าใจนี่เราไปสร้างพบเอาไว้อันหนึ่งพบที่ไม่ใช่ข้างนอกไม่ใช่ข้างไหนนะอยู่กลางกลางคราวนี้ยุ่งหรือสิส่งนอกก็ผิดส่งในก็ผิดรักษาไว้กลางกลางก็ผิด เวรแลวกูทำอะไรก็ผิดหมดเลยเพราะงั้นหลวงพ่อถึงบอกหนูไงอย่ากลัวทาอะไรหนูก็ทาผิดทั้งนั้นแหละ <c oughs> ถ้าไม่ทำผิดมากกว่า <c oughs> ทำไปก่อนแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าคาว่าตอนนี้ถูกแล้วสมมติว่าทำไปจนถึงถูกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ถูกหรอกทำไม่ถอะนะแล้วค่อยมาส่งกันบ้านขอบคุณค่ะ สามสิบหนึ่งเห็นไหมหนูทาตูกได้ไงตอนที่หนูอันแรกกว่านูลืมหมดแล้วเห็นหมสติหนูยังไม่เกิดเลยฝึกเรื่อยๆจนสติอัตโนมัติเกิดขยับตัวปุ๊บนี่รู้สึกตัวเลยนะอยู่ที่ไหนเบอร์สามสิบหนึ่งสามสิบเอ็ดนะ ข, อขอาวอนหลวงพ่อบอกสามสิบหนึ่งเขาก็จดเบอร์สามสิบคนหนึ่งเบอร์หนึ่งคนหนึ่งมาเรียกเบอร์สามสิบหนูไม่ได้ยกมือถ้สามสิบเอ็ดนะบางคนก็เป็นสามสิบเจ็ดอะไรเงี้ยใจลอยแล้วรู้สึกไหม พอหลวงพ่อบอกใจลอยแล้วไปดึงจิตเข้ามารู้สึกไหมใจลอยเป็นความสุดโตงอันที่หนึ่งรวบจิตเข้ามาควบคุมเอาไว้เป็นความสุดโตรงอันที่สองนะผิดทั้งคู่แล้วอะไรถูกใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยรวบเข้ามารู้ว่ากาลังรวบเข้ามารู้ว่าอย่างที่เป็นอันนั้นแหละถูกเพราะงั้นทำอะไรผิดหมดเลยรู้ว่ากำลังทาถูก สามสิบหนึ่งว่าไปกล่าวนมักการของพ่อครับอืมก็ฟังหลวงพ่อทีแรกก็รู้ว่าตัวเองติดเพ่งครับเออก็ฟังมาหกเดือนแล้วครับก็ก็ดีแล้วล่ะเพ่งน้อยลงแล้วล่ะแต่ยังมีเพ่งบ้างนะยังไม่หมดทีเดียวครับ ก็ไม่ต้องตกใจเพ่งระดับนี้พอเดินต่อได้แล้วครับสังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคู่่านกันครับ <นะ S 2> ผมขันมันแยกแล้วนะครับผมนี่ขันมันแยกแล้วปล่อยให้แต่ละขันทํางานเราไม่รักษาจิตให้นิ่งๆอยู่ถ้ารักษาจิตให้นิ่งอยู่จะไม่เห็นไตรลักษณ์ครับอย่างเมื่อกี้จิตไหลไปคิดแว บ, บหนึ่งรู้สึกไหมครับผมนั่นแหละหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆไ การบ้านก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึงนะ mm. พุโทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึงแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะอย่าไปให้มันนิ่งอยู่เฉยๆปล่อยให้มันเคลื่อนเรารู้เอาอย่าไม่เกี้ยจิตไหลไปคิดอีกแป๊บหนึ่งละนะครับเนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆพุโทโธไปแล้ว จ, จิตหนีไปเรารู้หรือหายใจไปจิตหนีไปเรารู้ฝึกนี้ให้มากๆนะแล้วจะเจริญกว่านี้เมื่อสิบห้า ขอบพระคุณครับอยู่ที่ไหนเบอร์สิบห้าเราใส่จะเป็นเบอร์สิบกับเบอร์ห้าหรือเปล่ามีไหมไม่มีอ๋อ <Okay. S 1> oh, มีว่าไปการนัรับชการหลวงพออ่อการไตมากที่ผ่านมาที่ที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นน ะ, ะถูกดีขึ้นไปฝึก อ, อีกการแล้วขอ ขอาการบ้านทํา <บ S 1> อย่างที่ทํานั่นแหละทําแล้วมันเจริญขึ้นแล้วก็ทําอีกอีกนะแต่อย่าโลภนะ <ขอ S 1> ใจมันอยากได้ผลเร็วๆมันจะช้านะดูเล่นๆไปดูเพลินๆไปดูเหมือนเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อเอาอะไรดังนั้นะเวลาความทุกข์เกิดที่ไปเกลียดมันความทุกข์เกิดเราใจเราเกลียดเราก็รู้นะีนะ่รู้ไปซื่อๆรู้ไปสบายๆ เบอร์สิบสี่การขอบคุณค่ะการรสักการหลวงพ่อครับขอส่งการบ้านครับปฏิบัติมาประมาณสี่ปีแล้วครับแล้วก็เมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาครับไม่ค่อยทำในรูปแบบเท่าไหร่พยายามออกมาดู ชอบดูจิตมากกว่าครับแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าละจิตเราชอบออกไปดูคนอื่นนะครับแล้วใจเราไม่ชอบที่จิตไปดูคนอื่นให้รู้ว่าไม่ชอบครับโทรศัพมันแทรกนะครับแล้วเวลาดูดูมันชี้โมโหขึ้นมาก็รู้เอาครับแล้วทีนี้เวลายิ่งเวลาเราอยู่บน bts นะครับหลวงพ่ออะไรนะเวลาเราอยู่บน bts คนเยอะๆครับอยู่อะไรบน bts รถไฟฟ้าครับอ๋อทีนี้ไม่รู้จักแล้วครับแล้รู้สึกแต่รถรางรู้สึกเหมือนว่าบางทีเราเราเราดูจิตของเราอยู่เนี่ยครับแล้วเหมือนแบบ บางทีเรารู้สึกเหมือนเราโดนจิตคนอื่นเข้ามากระแทกครับเอออย่างนั้นนะอย่าไปสนใจครับถ้าเราสนใจเราจะรู้จิตคนอื่นคนที่รู้จิตคนอื่นโดยที่ยังไม่ได้โสดานะครับมันจะไม่ยอมรู้จิตตัวเองนะอย่างในนี้ก็มีพระองค์หนึ่งเนะี่ยท่านชอบรู้จิตคนอื่นเวลาจิตใครเป็นไงนะั้นจิตจะโดดใส่ทันทีได้ชกทันทีเลยนะจะไม่ดูจิตตัวเองครับ ทีนี้ทีนวิธีที่เราจะเราก็รู้เป็นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้ามันออกไปออกไปแล้วเราโมโหว่าครับรู้ว่าโมโหกลับมาดูกิเลสตัวเองแล้วรวมพราะขอขอถามเพิ่มครับในกรณีทสมมุติว่าถ้ารู้ทัศจิตเราออกไปหาคนอื่นเนี่ยครับแล้วเรารู้แล้วแล้วพอมันกลับมาเนี่ยแล้วเราเราอยากจะทำอุบายขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อม่ให้เราดูเข้ามาข้างในอะครับเราเราหายใจออกได้หายใจออกมาหายใจหนะ้าความรู้สึกจับอยู่ที่ลมหายใจ ครับหาใจเข้าตัวนะบางทีผมจะแก้ด้วยการบางทีแบบมันไม่ไหวครับเพราะจะหลับตาพราะมันหลับตาแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบมันจะง่วงอืมเพราะนั้นโมหามันแทรกไปนะก็คือดูวันไบสบายเวลาที่จิตฟุ้งซ่านมากๆอ่ะพอทำความสงบแล้วมันจะง่วงครับนะเพราะฉะนั้นพยายามจะรู้สึกตัวทั้งวันบ่อยๆผมก็เลยแก้ด้วยกันแบบกระดิกนิ้วเพื่อดูร่างกายตัวเองครับอย่างเครียดไปเครียดไปนะพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆอยู่ในชีวิตประจําวันเนียอย่าหลงนานครับ หลงนานแล้วเวลาจะมาทําสมาธิมันจะหลับโ อ, อ้โ <นะ S 2> ครับงั้นพยายามรู้สึกตัวไประยะระยะไปเรื่อยๆครับอย่างชั่วโมงหนึ่งนะมีเวลาก็เบรกถ้ า, าทําได้นะเรบรคตัวเองสักหนาทีเดินไปห้องน้ําไปอะไรนี่เห็นร่างกายเดินนะใจเป็นยังไงก็รู้จะกลายเป็นไงก็รู้ระอะไรเงี้ยชั่วโมงหนึ่งทําสักห้านาทีนะเก็บอย่างเงี้ยแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะไม่หลับง่าย อ, อ้โครับ ช่งนีปัญหาคือเวลาพอเราไม่ได้ทำในรูปแบบนานพอเราเริ่มมาทําเนี่ยพอเรานั่งแล้วมันเวลาเราหลับตาเนี่ยจิตมันจะไม่ยอมครับมันจะต้องลืมตาอย่างเดียวเออ <ตา S 2> ลืมตาไปครับนีก็คือตอนนี้ปฏิบัติมาุกอยากจะส่งสมธิไม่พอิทุ่งสั้นนะครับให้เป็นปฏิบัติทางนี้เยอะๆขึ้นใช่ไหมครับใช่ขอบคุณครับอันทุนนาครับเบอร์สองเบอร์สองอยู่ไหนนี่อยู่ที่เก้าอี้นั่งเก้าอี้แถวที่สอง เร์อสองกำลังหันไปมองไม่ด้วยความยินดีพอใจจะให้รู้ทันเรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องกลัวนะบางคนกลัวกลัวอะไรกลัวความลับั่วไหลไม่บอกหรอกอย่าบางคนไม่กล้าส่งกันบ้านนะ เป็นแต่ว่าเป็นตุด๊ดเป็นทําดี้อะไรงี้มกลัวหลวงพ่อเปิดโปงไม่เปิดโปงนะรับรองด้วยเกียรติของลูกเสือสํารองเอาว่าไปกลับมาพการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ไปบริกรรมเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยดีที่ทำอ๋อเจ้าค่ะให้ทำอีก ค่ะสังเกตไหมบริกรรมแล้วเรารู้ทันกายรู้ทันใจได้ดีขึ้นเจ้าค่ะไปบริกรรมไปแล้วก็รู้ทันจิตไปเจ้าค่ะเ อ, ออีกเรื่องหนึ่งนะเจ้าค่ะอืมเอโยมขอขามาแล้วก็ขออนุญาตหลวงพ่อเจ้าค่ะจิตหลวงพ่อจิตจิตโยมมันไม่เอาพุทโธจริงๆเลยเจ้าค่ะไม่เอาก็ไม่เห็นเป็นไรยอมก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อไปใช้นโมตสาแทนนะเจ้าค่ะได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยขอบพระคุณเจ้าค่ะ เมื่อก่อนนะมีคนหนึ่งมาบอกพุโทโธไม่ได้เลยหนูไม่ชอบพุโทโธก็บอกหนูนำโมใต้ชื่อใต้ปุยเลยของหนู่หนูชอบหนูก็ท่องไว้สิหนูเลยช็อกไปเลยตอนนั้นเลยเราต้องระวังมากขึ้น <c oughs> เอาเบอร์ห้านี่คนเนี้ประหยัดไฟ กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือหนูปฏิบัติด้วยการดูจิตนะคะแล้วก็มีพุทโธเป็นวิหารธรรมค่ะปกติี้จิตจะฟุ้งซ่านมากแต่มีมีบางครั้งนะคะนั่งสมาธิอะค่ะแล้วก็ดูจิตไปแต่ว่าเห็นกายที่มันหายไปอะค่ะแล้วก็พอกายหายไปก็รู้สึกตกใจมากเลยแล้วก็น้ำตามันก็ไหลรู้สึก <raid> Smooth เสียตาย่ะเสียได้แล้วบางครั้งบางทีไปไปว่ายน้ำเนี้ยค่ะบางทีว่ายวไปก็กายมันก็หายไปอีกค่ะอค่ะหัวไม่ชนฝั่งหลวงพ่อเคยว่ไววหาหรั่วปุไปหัวโคเลยรู้สึกขึ้นมาค่ะอยากขอการบ้านพระอาจารย์ค่ะสมาธิมันล้มไปสติมันไม่ทันแค่นั้นแะการที่ร่างกายหายไปได้เหลือแต่จิตดวงเดียวนั้นดีนะค่ะ เพราะว่าต่อไปเนี้ยขันเราแยกทางชาติแล้วตัณหเกตไหมมันแยกได้ทางชาติแล้วนะกายกับใจมันคู่ละอันมันจะเห็นเด็ดขาดออกจากกันเพราะร่างกายนี้เคยหายไปแล้วแต่ถ้านั่งสมาธิร่างกายก็หายจิตก็หายอย่างนี้นใช้ไม่ได้เป็นผมลูกฟักไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยถ้านะร่างกายหายเหลือจิตดวงเดียวพอมีกายขึ้นมามนจะรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะต่อไปก็ดูจิตมันทํางานไปเรื่อยนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึก ยังติดลักษณะส่วนใหญ่ของคนวัดป่าอยู่ยังติดการประคองจิตให้นิ่งอยู่นิดหนึ่งนะก็ะะให้ไปรู้ทันถ้าปล่อยได้ก็จะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวั น, นอันนี้เราจะเหลือตัวนิ่งอยู่นิดนึ่งอ่าเบอร์ยี่สิบสี่กลับขอบพระคุณค่ะเม <24 S 2> ืร์ยี่สิบสี่อยู่ที่ไหนอยู่ไหนล่ะ ไ ม, <With. S 1> ไม่มีเหรอหรือยกแล้วรู้สึกว่าไม่ควรยกเบอร์หนึ oh, ่งอยู่ไหนเบอร์หนึ่งนี่อยู่นี่เบอร์้นน่ะยี่สิบสี่เหรอยี่ิบสี่ไม่อยู่เอาเบอร์หนึ่งอรับกับรมการหลวงพ่อครับอย่าให้เครียดนะทํำใจสบายสบาย ร้องเพลงของเบิร์ตไปครับเดทส่งกันบ้างหลวงพ่อล่าสุดน่าจะประมาณสองปีที่แล้วครับก็วันนี้จะมารายงานความคืบหน้าแล้วก็เอ อ, อยากขอคำแนะนําเพิ่มเติมนะครับล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วที่ส่งก็คือเห็นเห็นเห็นก้อนเนี้ยครับเป็นสามส่วนก็คือเห็นกายเห็นจิตแล้วก็จิตผู้รู้เ อ, อมาหลังจากนั้นแต่จาระยะเวลาไม่ได้แน่นอนแล้วครับ แต่ว่าถ้าโดยสรุปมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คื อ, เ, อเห็นว่าทั้งทางกายทั้งจิตแล้วก็จิตผู้รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ครับแล้วก็เห็นคือผมเห็นว่าแม้กระทั่งจิตจิตที่เราที่จิตตัวที่ไปดูจิตตัวอื่นพราว่าโกรธว่าหลงเนี่ยแม้กระทั่งจิตตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้แค่ในความรู้สึกของผมคือแค่ขณะจิตเดียวแล้วก็ดับสู ก, ก, กครับมันเลยรู้สึกเหมือนกับว่า เราจริงๆเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยเหมืนอนเหมือนเรานั่งนั่งมองน้ำตกเฉยๆ ม, มันจิตจิตหลงก็หลงจิตผู้รู้มาก็คือก็คือรู้ไปแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้มันอยู่ตลอดอจาไม่ได้ถูกแล้วแต่คอยรู้ทันตรงนี้เวลาโทสะมันแทรกเลยเนี่ยนะให้รู้ทันพอเห็นสภาวะมากๆที่ใจเราไม่ชอบใจเราเบื่อใจอะไรเงี้ยนะรู้ทัน ใจจะได้เป็นกลางอนี้ใจยังไม่กลางทีเดียวไปดูุอีกแล้วก็คอยรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไปถึงว่าใจที่แทรกแซงหรอครับใจที่ยังไม่ชอบหรอกตัวไหนตัวไหนก็ใช้ไม่ได้สักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่อาศัยสักตัวหนึ่งใจไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความสุขค่อยรู้ทัน ลดก้นลดพ้อขยะอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับยังยังไม่ค่อยเกลียจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมวันนี้มันมัวๆครับคือวันนี้มันวันนี้มันมีทั้งตื่นเต้นทั้งโทสะเออนะมันมีโทสะเจือนะก็ให้รู้ว่ามีโทสะนะสภาวะอะไรก็ได้แต่พอเรารู้แล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันตรงยินดียินร้ายเนี่ยมันยังมีอยู่นะมันยังไม่เป็นกลางทีเดียว งั้นเราเห็นสภาวะแล้วล่ะะเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์แล้วล่ะแต่จิตยังไม่เป็นกลางะฉ น, นั้นเรารู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางไปก็คือให้ดูจิตที่อินดีไลน์ทางานไปใช่ใชกัับมนใช่ใช่อขออนุญาตครับหลวงพ่อพอดีโอกาสจะได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อแบบนี้มันยากมากมีอะไรที่ผมต้องระวังล่วงหน้าไหมครับก็ระวังโรคก็แล้วกันแล้วกันนะครับระวังความโาครคมันมันอยาก ดีเร็วๆอะไรนะรู้ไปไครับคำับเพื่อหกภาาใช้ได้นะพาวนาดีตั้งใจดีขยันแต่ให้มันจริงจังจนเครียดนะจริงจังจนเครียดเครียดเป็นโทสะนะ นมัด ก, การหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่คะ่ะโอยหลวงพ่อคะ่ะคือว่าหนูก็คือตอนนี้ปฏิบัติในรูปแบบก็คือใช้วิหารรมเป็นพุโทโธนะคะแล้วก็พยายามทำในชิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบบางช่วงอะ่ะ <c oughs> เวลาแบบเราไม่ได้แบบศีเรียนมาเงี้ยชิลๆไปเดินชิลๆหรือว่านั่งเปล่าผมชิลๆงเงี้ยมันก็แบบ ใจมันก็แบบว่ามีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเดินปัญญาได้อะไรอย่างเงี้เห็นว่าบางทีแบบไอ้ที่เป่าเผมอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าอยู่เป่าผมชิลๆแล้วอยู่มันก็แบบทุกอย่างมันก็มืดลงอ่ะค่ะแล้วแบบตรงกลางมันก็แบบว่าแบบมันหมุนอืมมันพลิ้วๆแต่ว่าอีกใจเนี่ยมันก็เห็นว่ามันกลัวค่ะอืค่ะแล้วก็ แต่หลังจากนั้นมันก็ไม่มีอีกเลยถ้าอยากเห็นมันไม่เห็นหรอกค่ะแล้วก็แบบช่วงเนี้ยมันรู้สึกว่าแบบว่ามันนิสัยไม่ค่อยดีอะค่ะหลวงพ่ อ, อแบบมันเหมือนกับว่าเหมือนกําลังอาจจะไม่พอหรือว่ายัางไงอะค่ะแบลบว่าเหมือนถ้าแบบเออ่ฟังจากหลวงพ่อตอนเช้าใช่ไหมคะหลวงพ่อพูดถึงเรื่องจิตส่งออกนอก หนูก็ย้อนกลับมาดูว่าที่ผ่านมาที่แบบในช่วงช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าแบบหนูแบบไม่ค่อยมีกําลังจิตอาจจะส่งออกนอกอยู่แบบเราแบบไม่มีแรงที่จะดึงมันเข้ามาค่ะไม่ดึงพอจิตไม่มีแรงก็เราก็ทําสมถะพุทโธไปสงบผู้ช่างไม่สงบผู้ช่างพุทโธไปเรื่อยๆหรือหายใจไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยๆสังเกตจิตไปหายใจไปจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่าน หายใจไปแล้วจิตค่อยๆสงบแล้วรู้ว่าสงบอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กลับมาสมาธิหนูไม่พอจิตกระเจากระจายไปเท่านั้นแหละค่ไปไทําสมาธิขึ้นมาปัญญามันเดินเป็นแล้วล่ะนะแต่สมาธิไม่พอค่ะหลวงพ่อคะหนูขอโอกาสนิดนึงนะคะก็คื อ, อว่าหนูขอขอบคุณอาจารย์อาจารย์สุปเปอร์ค่ะที่แบบว่าให้ซีดีหลวงอาจารย์ซุปนะเปร์ค่ะสอนคณิตศาศสตร์เพราะว่าค่ะหนูอ่ะรู้จัก หลวงพ่อผ่านซีดีคือหนูเป็นเด็กต่างงจังหวัดอะคะ่ะแล้วก็เรียนคณิตศาสตร์กับอาจารย์ข้าหนูขอขออนุญาตต้อ <c oughs> งรวยด้วยแล้วค่าเรียนถ้าจะแพงค่ะหนูขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ซุปเปอรนะคะแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อที่แบบว่าถ่ายทอดธรรมะผ่านซีดีแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ไกลวัดอะคะ่ะได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะนะคะ่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณ<า>ในคนที่ทําซีดีนะหลวงพ่อไม่ได้ทำเรนะ <c oughs> าเนี่ยเขามันตั้งกล้องทําเนี่ยไม่ต้องเสียค่าจ้างเลยนะมาขอทําเองลนะ <c oughs> ล้าทำซีดีออกมาแล้วมูลนิธิเขาไปพิมพ์ไปปั๊มแจกนี่หลวงพ่อเขามีมูลนิธิเหมือนกันนะเนี่ยมีตั้งสิบเอ็ดล้านเลยทำไมมีน้อยไม่มีสหกรณ์เอาเงินมาให้อ้าวต่อไปมีใครอีกไหมโอ้เยอะเลย แต่หมดเวลาแล้วล่วนะเอาไว้โอกาสต่อไปนะเบอร์ยี่สิบเนาะแถมให้คนสุดท้ายกลับบรรศัทการหลวงพ่อครับน่งการบ้านครั้งแรกครับทำได้ดีแล้วนะทำถูกแล้ว ขอบคุณมากครับคันก็ย่อแล้ว <laughs> นะไม่ทำอีกแต่ตอนนี้มันตื่นเต้นใจมันกระจายออกข้างนอกนะครับที่รู้นะรู้ถูกแล้วแต่ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานรับจิตกระจายออกดูออกไหมดูออกขับนั่นแหละที่หลวงพ่อเรียกคนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องตรวจกันบ้านจะ <laughs> บอกว่าทาถูกแล้วล่ะนะจะได้มีความมั่นใจไปทำต่อ อาเชยงกับบ้านไปคนที่ยังอยากถามนะเดี๋ยวถามผู้ช่วยสอนมีเยอะแยะเลยอ้อวันนี้มีกิจกรรมพิเศษลืมไปแล้วจะให้ลงชื่อเฉพาะคนที่ไม่เคยค้างวัดนะไม่เคยมาอยู่นอนที่วัดนี้ให้ไปลงชื่อที่ศาลากินข้าวศาลาหลังๆนี้จะมีพระ สี่สี่องนะใช่ไหม อ, องหนึ่งสามเดือนนะมกุลาคุณพามีนาเนี่ยองหนึ่งนะใครอยากมกุลาคุณพามีนาก็ไปเข้าช่องพระนีนะ้อีกสามเดือนต่อไปก็อีกช่องหนึ่งนะรวมแล้วสี่องสี่องค์ก็ได้สิบสองเดือนแต่ไม่ใช่ไปแย่งกันเข้านะเข้าแถวรวมกันก่อนแล้วเราค่อยไปแยกทีหลัง ตอนที่จะถึงตัวพร ะ, ะลงกันก่อนเม่งั้นจะหือเข้าไปแล้วเป็นกระจุกกระจุกดูยากเดี๋ยวชมพูไปจัดแถวเองเนาะพวกนี้นักจัดการไปเชิญให้มีศีล น, นะบางคนเคยลงชื่อเคยมาอยู่แล้วแล้วก็มาอํมมาลงซ้ำอะไรเนี้ยศีลไม่มีพรานาะมไม่ขึ้นหรอก